สำหรับในการจัดทำเสิยงอานเรื่องนี้ค่อนข้างทําได้ยากเพราะจำนวนการใช้ภาษาและการพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ท่านจึงพยายามอ่านแบบแบ่งคําต่างจากการพูดปกติเพื่อผู้ฟังจะได้ฟังแบบเน้นคําที่สําคัญซึ่งหลายเรื่องก็อ่านแบบนี้นะครับจึงอาจไม่เรื่อนหูเท่าไหร่ก็ขอให้จับเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญก็พอนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือหนังสือจํานวนมากนั้น มากพิมพ์ต่อกันเป็นประโยคยาวเน้นจัดหน้าให้ลงพอดีกับหนังสือเมื่อนํามาทําเสียงอ่านจึงอาจมีการผิดพลาดจากการเว้นวรรคผิดได้ทั้งจากต้นฉบับและจากความเข้าใจผิดของผู้บันทึกเสียงจึงต้องกราบขออภัยพ่อแม่ครูอาจารย์และทุกท่านเวนาที่นี้ดังนั้นขอให้ใช้เสียงอ่านเพื่อฟังเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนเท่านั้นถ้าจะอ้างอิงหรือปักใจเชื่ออะไร คนได้ศึกษาจากต้นฉบับหนังสือหรือเสียงท่านโดยตรงอีกครั้งนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวชินวัฒนกุลชยัยครอบครัวเกสราทิคุณครอบครัวคณิตวิชากุลเจ้าภาพรองครอบครัวอิมวงศรีครอบครัวสีโพคาครอบครัวซิวอินครอบครัวทรงพลสุมเมธคุ้มวง พันทิปสันติภากรประภัยวงทางประเสริฐเทียนจุธาลุทาวิบูลยานินเวียงเกตอภิรัตเคราวสกัญญาเทียนบุญประเสริฐผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงพกากรีทองร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากทายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ